อำนาจเมตตาข้าพเจ้าก็รู้สึกเสียววาบในใจเมื่อได้ฟังคำตอบของมาเรียนทันใดนั้นเองก็รู้สึกทันทีว่าอำนาจอย่างหนึ่งมาดูดเอาพลังออกไปจากตัวข้าพเจ้าจนทำให้รู้สึกเพลียอย่างรุนแรงขาแข้งอ่อนแทบยืนไม่อยู่พร้อมกันนั้นก็รู้สึกในตาลายอีกด้วย ข้าพเจ้ารู้ได้ทันทีว่าปีสายเกรซเชนได้ฉวยโอกาสในจังหวะที่ข้าพเจ้าเผลอตัวเข้าโจมตีและทําการดูดพลังออกไปจากข้าพเจ้าเพื่อไปเข้าตัวของมันจากความชำนาญที่ได้เคยประสบมาข้าพเจ้ารู้ดีว่าการดิ้นรนต่อสู้หรือขัดขืนด้วยร่างกายจะไม่เกิดประโยชน์อย่างใดแก่ข้าพเจ้าเลย เพราะยิ่งจะเป็นการไปเพิ่มพลังให้แก่ปีศาจมากขึ้นทุกขณะที่ดิ้นรนและทําให้ปีศาจมีอํานาจเหนือข้าพเจ้ามากขึ้นเป็นลําดับดังนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งสติแผ่พลังแห่งเมตตาจิตให้แก่วิญ ญ, ญาณที่มาทําร้ายข้าพเจ้าพร้อมกับพยายามทําใจให้สงบไม่ตื่นเต้นต่อจากนั้นก็นึกในใจว่าถ้าปีศาจนั้นจะต้องการพลังแบบนี้ไปจากข้าพเจ้าก็เชิญดูดเอาไปได้ตามใจชอบ ผลปรากฏว่าแรงดูดพลังนั้นหยุดทันทีเป็นที่เห็นได้ชัดว่าปีศาจเกรสเชนไม่ต้องการพลังซึ่งมีกระแสแห่งความเมตตาแผ่ซ่านอยู่นี้เพราะมันเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางแก้แค้นไม่ได้เลยขณะนี้ไฟในห้องนอนของข้าพเจ้าเปิดสว่างแล้วข้าพเจ้าจึงร้องถามเธอออกไปว่านี่ มาเรียนเธอคิดว่าจะยิงใครนะ่ะผีค่ะมาเรียนตอบเจ้ารูปภาพในห้องชั้นล่างนั่นแหละมันน่ากลัวเหลือเกินมันทําเสียงดังตลอดเวลาคล้คลายๆกับมีใครเอาคอา้อนมาเคาะข้างๆหูจนฉันรู้สึกว่ามีอะไรมาห่ออยู่เหนือเตียงนอนต่อจากนั้นก็หายใจไม่ออกจึงลุกขึ้นมาหยิบปืนและคิดว่าถ้าใครโผล่ประตูเข้ามาน ะ, ะต้องยิงให้ตายเลยทีเดียวขออย่างดีนะที่ฉันได้ยินเสียงปลดเซฟนั่นเสก่อนข้าพเจ้าตอบ พร้อมกับนึกว่าเกือบไปแล้วปีศาจของเกรซเชนเกือบจะทำให้ภรรยาของข้าพเจ้าเป็นไม้สมดังที่มันได้พูดขู่เอาไว้แล้วจริงๆพรุ่งขึ้นมาเรียนได้บอกกับข้าพเจ้าว่าคุณต้องหาวิธีเอารูปนั้นไปให้พ้นให้ได้นะคะฉันไม่ยอมอยู่กับมันอีกเป็นคืนที่สองเป็นอันขาดเอาล่ะไม่เป็นไรข้าพเจ้าตอบแต่ขอเวลาให้ฉันลองใช้หลักการของฉันดูสักพักหนึ่งก่อนนะ ข้าพเจ้าบอกให้มาเรียนออกไปนอกห้องก่อนแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้พร้อมกับสำรวมจิตนึกถึงวิญญาณของเกรซเชนโดยเรียกชื่อของเธออยู่ในใจสองถึงสามครั้งไม่นานร่างของเกรซเชนก็ปรากฏขึ้นตรงข้ามกับเก้าอี้ที่ข้าพเจ้านั่งอยู่มีรูปเป็นรางๆครั้งนี้ดวงหน้าของปีศาจมีแววเศร้าสลดอย่างเห็นได้ชัด คุณต้องการอะไรนี่เกรซเชนข้าพเจ้าเอ่ยถามขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการถึงเวลาแล้วเธอควรจะยุติเรื่องเหลวไหลนี่เสียทีบอกฉันหน่อยได้ไหมเกรซเชนทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังเขานักมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเธอเหรอปรากฏว่าเกรซเชนค่อยสงบใจได้บ้างเธอได้เล่าเรื่องราวหัหลังให้ข้าพเจ้าฟังโดยละเอียดในครั้งแรก เรเชนเล่าด้วยอารมณ์ที่เคืองแค้นอย่างรุนแรงแต่ต่อมาก็ค่อยบรรเทาลงเธอได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเธอต้องทนทุกข์ทรม า, านเพราะคารที่ไม่ซื่อตรงต่อเธอข้าพเจ้าได้ถามว่าที่เธอเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมีความจริงมากน้อยแค่ไหนในภาวะที่เธอเป็นอยู่อย่างเนี้ยเธอย่อมรู้อยู่เองส่วนไหนที่เป็นความจริงและส่วนไหนไม่จริงลองนึกย้อนหลังดูอีกทีสิแล้วเล่าให้ฉันฟังใหม่ ข้าพเจ้านั่งนิ่งปล่อยให้วิญญาณของเกรสเชนตั้งสติอยู่พักหนึ่งตลอดเวลานี้ปรากฏว่าเกรสเชนนั่งซบหน้ากับฝ่ามือแสดงความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งในที่สุดก็พูดตะกุกตะกักออกมาว่าอส่วนมากทีเดียวที่ฉันเล่ามาไม่จริงค่ะคือดิฉันคิดเอาเองว่าเขาคงจะไม่ซื่อสัต์ต่อดิฉันเพราะว่าในตอนนั้นดิฉันไม่สามารถคือว่า อีฉันอ่อนแอมากไม่สามารถจริงๆข้าพเจ้าจึงถามว่าตอนนี้เธอก็เหลือแต่วิญญาณแล้วเธอย่อมรู้ได้ว่าสาเหตุเบื้องต้นน่ะเป็นยังไงลองพิจารณาดูสิแล้วบอกให้ฉันรู้บ้างเกรซเชนนิ่งเงียบไปพักใหญ่แล้วก็เริ่มเล่าเมื่อตอนที่ฉันยังเล็กๆนะ่ะ พวกญาติพี่น้องก็หาว่าที่ฉันเกิดมาทําให้แม่ลําบากต้องเกือบจะถึงแก่ความตายแม่ของฉันหึงคุณพ่อของฉันมากคอยแต่เฝ้าแซาซี้ถามไม่หยุดหย่อนว่าไปไหนมาแล้วก็หาว่าคุณพ่อไปเที่ยวกับหญิงอื่นฉันยังจําได้ดีถึงเรื่องเหล่าเนี้ยเออแปลกจริงกล่าวแล้วเกรซเชนเงยหน้าขึ้นมองดูข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นว่า ในตาของเธอไม่มีแววแห่งความโกรธและเกลียดอีกต่อไปแล้วทำไมฉันทําไปแบบนั้นได้นะทําไมฉันถึงทนอยู่ได้ถึงป่าเนี้ยทําไมฉันถึงปล่อยให้ความชั่วร้ายมันเข้าไปสิงอยู่ในใจได้นานขนาดนี้ทั้งๆที่ฉันก็ตายจากโลกมนุษย์มาแล้วทําไมความคิดอันชั่วร้ายแบบนี้มันไม่สูญหายไปด้วยอันที่จริงอ่ะมันก็ควรจะหายไปพร้อมกับร่างกายอันเก่าของเธอแล้วล่ะ ข้าพเจ้าตอบแต่การที่เธอยังมีใจฝังแน่นอยู่กับความริษยานั่นเองทำให้มันไม่หายไปได้แต่ตอนนี้เธอก็เห็นโทษแล้วไม่ใช่เหรอเธอคงจะเห็นแล้วสินะ ว, ว่าความป่วยไข้ต่างๆนะ่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับร่างกายอันเก่าซึ่งสูญสลายไปนมนานแล้วดังนั้นเมื่อเธอมาครองร่างใหม่ร่างนี้จึงไม่ควรที่จะต้องมารับมรดกความป่วยไข้สืบต่อไว้อีก มันควรจะเป็นร่างใหม่ที่สมบูรณ์สวยงามเอาล่ะนะฉันจะเรียกกลุ่มผู้ช่วยเหลือจากเบื้องบนให้มาพาวิญญาณของเธอไปสู่ความสุขเธอจงไปกับเขาเซียและจะได้พ้นทุกเสี้ทีพร้อมกันนั้นข้าพเจ้าก็ตั้งจิตอธิษฐานนึกเรียกกลุ่มของวิญญาณของผู้ช่วยเหลือจากเบื้องบนให้มารับวิญญาณของเกรซเชนไปสู่สุขติ วันรุ่งขึ้นข้าพเจ้ากับมาเรียนไน้นำภาพนั้นลงไปเผาไฟในห้องใต้ดินเราเฝ้าดูจนกระทั่งมันมอดไหม้เป็นเท่าฐานไปหมดสิน้นหนึ่งเดือนต่อมาข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมคานกับมาทาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าวิญญาณของเกรสเชนไม่ได้กลับมารบกวนอีกเลยอาการป่วยของมาทาที่หมอว่าจะต้องผ่าตัดก็หายไป พร้อมกับอาการปวดหลังของคารนก็หายไปเป็นปลิดทิ้งเช่นเดียวกันสมปีให้หลังข้าพเจ้าได้พบคารนอีกครั้งหนึ่งดูหน้าตาเขาแจ่มใสเบิกบานมากเขาได้เอารูปมาทาขึ้นมาอวดข้าพเจ้าปรากฏว่ามาทาสาวและสวยขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อก็เป็นอันว่าเรื่องวิ ญ, ญญาณพยาบาทยุติลงแต่เพียงแค่นี้